เรื่องพระฉั พ, พักีใช้บาทชนิดต่างๆสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักีใช้บาทชนิดต่างๆคือบาททองคำบาทเงินคนทั้งหลายตําหนิดประนามพรทนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร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 ไม่พึงใช้บาทแก้วมณีไม่พึงใช้บาทแก้วไผทูลไม่พึงใช้บาทแก้วพลึกไม่พึงใช้บาทรสำริดไม่พึงใช้บาทกระจกไม่พึงใช้บาทดีบุกไม่พึงใช้บาทตะกวัวไม่พึงใช้บาททองแดงรูปใดใช้ ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบาตรสองชนิดคือบาตรเหล็กบาตรดิน